สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชืตรอเปซูตอนที่460เรื่องของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่สี่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยคําถามที่ติดท็อปฮิตนะครับเรื่องของของประทานก็คือคําถามที่ว่าทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงประธานของประทานฝ่ายวิญญาณ ให้ครืชจักอยู่หรือเปล่านะครับทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้ครืชจักอยู่หรือเปล่าคําตอบคือใช่ครับทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้ครืชจักอย right? ู่เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงกลุ่มสี่กลุ่มนะครับซึ่งเรารวบรวมจากพระกัมภีร์ทั้งพระกัมภีร์เดิมและพระกัมพีใหม่ กลุ่มสี่กลุ่มนี้ได้แก่เรื่องราวของการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระคตมภีรกลุ่มแรกคือโมเสสครับเรื่องภัยพิบัติที่เกิดกับอียิปต์เรื่องการข้ามทะเลแดงเรื่องการประทานมานาและน้ำของพระเจ้าอันนี้คือหลักๆครับกลุ่มแรกหลักๆ ก, กลุ่มที่สองก็คือ เรื่องราวของผู้เผยพรชนะหรือผู้พยากรณ์เช่นเอลิยาเอลิชาก็ทําการอัศจรรย์เยอะแยะมากมายนี่เป็นกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สามคือพระเยซูคริสต์ทาการอัศจรรย์เมื่อพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมวลชนสามปีที่พระองค์ทร ง, งกระทำกิจของพระองค์และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่สี่ครับคือเรื่องราวการอัศจรรย์ของอาคาทูททั้งหลายนั่นคือยุคคริสตจักร ที่นองครับสี่ยุคหลักแห่งการทรงสำแดงจากพระเจ้านะครับเราเรียกว่าสี่ยุคหลักแห่งการสำแดงจากพระเจ้าได้แก่พระบัญญัติภูเผยโพชนะพระคิตและอัครทูตโดยมีเป้าหมายหลักของการอัศจรรย์คือพิสูจน์และรับรองการสำแดงจากพระเจ้านะครับพื่้องครับในวันนี้คำถามก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือทุกวันนี้ยังมีการอัศจรรย์อยู่หรือเปล่า ผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้นะครับเป็นสองภาคด้วยกันเรื่องของของประธานฝ่ายวิญญาณบริสุดภาคแรกก็คือเรียกว่าภาคแมกโรหรือมาโครคือภาพใหญ่ครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าของประธานฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้มีเพียงสี่รายการหลักที่ได้เรียนพี่น้องไปแล้วแต่ยังมีของประธานฝ่ายวิญญาณบางอย่างหรืออีกหลายหลอย่าง ซึ่งไม่มีอยู่ในรายการใดของรายการหลักทั้งสี่เลยในวันนี้ผมจะพูดถึงมุมตรงกันข้ามครับว่าแม้ว่าจะมีอยู่ในทุกวันนี้เรื่องของการอาศัศจรรย์เรื่องของของประทานฝ่ายจิตวิญญาณแต่จะมีครบหมดทุกอย่างหรือเปล่านะครับพอพูดไปในตรงนี้ปุ๊บนะครับ ก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นครับเพราะว่าบางท่านอาจบอกว่าต้องมีครบทุกอย่างนะครับพระอภิีมียังไงก็ต้องมีอย่างนั้นพระเจ้าเป็นเหมือนเดิมพระเจ้าวันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พระองค์เป็นมาและแนวคดโป่งก็จะเป็นอย่างที่พระองค์เป็นพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นของมาทานกับพระเจ้าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีพี่น้องบางกลุ่มก็เชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลย ครอบคลุมไปถึงเรื่องของของประธานในคขีจักทุกวันนี้มีของประธานที่เกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์อยู่หรือเปล่าคําตอบก็คือว่ามีครับในขีจักทุกวันนี้ก็ยังมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่ของประธานเรื่องของสถานภาพหรือฐานะของผู้ใช้ของประธานนั้นยังมีเช่นอัครทูตอยู่ไหม ยังมีผู้เผยเพระนะอยู่ไหมนะครับถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นก็คือว่าก็ถือว่ามีก็แล้วกันแต่ปัญหาก็คือว่าเราจํากัดความของคําว่าอาคาัครทูตหรือผู้เผยพระชนะหรือผู้ที่ทําการอัศจรรย์เราจํากัดความอย่างไรครับเพราะเรื่องต่างๆเหล่ า, านี้นะครับเป็นของประทานซึ่งเกิดจากพระคุณของพระเจ้าทั้งสิน้น พระกัมพีใหม่กล่าวถึงของพระชาเหล่านี้หมดเลยครับพระเจ้าก็ยังให้อยู่แล้วก็สรุปว่าอาาัครทูตผู้เผยพระชนะก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ไม่มีหลักฐานตอนใดในพระมพีเลยครับที่ว่าของพระชาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเลิกมีแล้วนะครับแต่กลับกลายว่าที่เขาว่าไม่มีหลักฐานนั้นที่จริงแล้วมีครับก็หมายความว่าตุวันนี้ นะครับยังมีการาจันทร์เหมือนกันครับยังมีเอากทัศธมีผู้เผยพจะชนะเหมือนกันอันนี้คือระดับที่เขาโต้แย้งกันพี่น้องครับผมอยากจะบอ ก, กบอย่างนี้นะครับว่าจากการศึกษาค้นคว้าของผมและจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในคริสตจักรหลายที่หลายแห่งผมอยากจะบอกว่าในลักษณะของแมโครนะครับ แนลักษณะของแมคครก็คือภาพรวมใหญ่ๆนะครับการเผยโภชนะเอาเรื่องการเผยโภชนะก่อนนะครับการเผยโภชนะที่จะเกิดขึ้นเป็นพระคัมภีร์นะครับเป็นพระคัมภีร์เนี่ยหมดแล้วแน่นอนไม่มีการเปิดเผยสาแดงอื่นๆนอกจากพระคัมภีร์นั่นก็คือพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่หากในเวลานี้มีคนยืนขึ้นมา และบอกว่าสิ่งที่ผมพูดนี้จะกลายเป็นพระกัมภีร์อันนั้นผิดแล้วครับสิ่งที่ผมกําลังจะกล่าวหรือเผยเพระเนะต่อไปนี้จะเป็นพระกัมพีอีกเล่มหนึ่งที่ต่อจากพระธรรมวิวรณ์อันนี้คือผิดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในร ะ, ระดับแมโครนะครับและระดับใหญ่ภาพรวมใหญ่การ เ, ราเผยเพระเจ้าแบบนั้นไม่มีแล้วครับแต่ ยังมีการเผยพระเจะในอีกระดับหนึ่งในเรื่องของไมโครไมโครไมโครแปลว่าเล็กครับในระดับเพอร์ชวลนในระดับส่วนบุคคลนครับจากตรงนี้ผมเชื่อว่ายังคงมีอยู่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยังสามารถที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับคนบางคนเพื่อที่ถ้อยคำเหล่านั้นจะเป็นถ้อยคำของการเผยนะครับ การเผยหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกลับใจการที่สำรวจตัวเองและเพิ่มพูนความเชื่อของคนที่ได้รับการเผยพชน ะ, ะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าต้องแยกแยะครับแยกแยะ macro กับ micro แยแยะภาพรวมใหญ่นะครับกับระดับปฏเจกบุคคลออกเสียก็จะไม่มีปัญหาพี่น้องครับยกเรืา่างต่อไปครับก็คือของประธานอัครทูตอัครทูตนั้นหมดไปหรื อ, อยังถ้าเราบอกว่าอัครทูตนั้นมีความหมายเหมือนกับอัครทูตเปาโลเปโตรนะครับในระดับมาโครใ น, ในระดับใหญ่ในระดับภาพรวม ผมก็จะขอบอกกับพี่น้องว่าในส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าหมดแล้วครับแต่ในลักษณะของของประชานส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลก็ต้องถือว่าคนเหล่านี้ยเปรียบเทียบกับมิชชันนารีได้ครับเพราะว่าคาว่าอัครทูนั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ที่รับใช้เป็นทูตเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้หนังสือถือหนังสือจากขึ้นจักรหนึ่งไปยังอิฐขึ้นจักรหนึ่ง นะครับในแง่นั้นก็คือใช้กับมิชชันนรีในสมัยนี้ครับหรือคริสเตียนที่พระเจ้าเจมิมได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษในการก่อสร้างคริสตจักรนะครับคนเหล่านี้ครับก็คือเรียกว่าอัครทูตได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีของประธานในเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้มีของประธานในแง่ของอัครทูตที่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้า ในลักษณะการเห็นด้วยตาการฟังด้วยหูจริงๆของเขาเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราจำกัดความหรือเราตกลงกันในแง่ของคำจำกัดความที่ถูกต้องเข้าใจร่วมกันแล้วก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปพี่น้องครับการเผยโภชนะอัครทูตต่างๆเหล่านี้ครับก็จะเป็นทํานองเดียวกันต้องแยกแมโครและไมโคร ต้องแยกภาพรวมนะครับหรือในระดับที่ภาพเล็กภาพใหญ่ภาพเล็กนะต้องแยกเพราะฉะนั้นทําก็ทําให้เราไม่สับสนอีกต่อไปเพียงครับเราจะไปบอกว่าคนบางคนที่พูดหรือเผยเ พ, เพระชนะนะครับคนบางคนที่อ้างตัวเองว่ามีความเป็นอัครทูตนะครับมีของประธานอัครทูตเราต้องเข้าใจว่าเขากำลังพูดอยู่ในระดับของไมโครในระดับของเพอร์ซันอล ถามว่าพระเจ้ายังทํางานและประทานของประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับคริสตจักรอยู่หรือเปล่านะครับคริสตจักรนี้หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นนะครับหรือกลุ่มเล็กๆไม่ใช่กลุ่มแมกครนะครับนี่คือความเชื่อที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องความเห็นของผมในเรื่องของของประทานฝ่ายพระมรรยบาบริณโดยสุดจึงไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เราทั้งหลายจะต้องถกเถียงโต้แย้งกันอีกต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าในระดับแมกครในระดับใหญ่ นะครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับหรือใช้คำว่าหมดแล้วนะแต่ส่วนไมโครหรือในระดับ personally ในระดับตัดเกบุคคล น, นั้นก็มีได้ในระดับของคริสตจักรท้องถิ่น local church นะครับก็มีได้เพราะฉะนั้นการตีความหมายเหล่านี้นะครับก็อาจจะพี่น้องไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็ไม่ทำให้เราแตกแยกกันเพราะความเห็นบางสีบางอย่างซึ่งเป็นความเห็น เล็กๆเป็นความเห็นไมเนอร์นะครับเป็นความเห็นที่เป็นเรื่องราวที่ยังตกลงกันไม่ได้ยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่อย่าให้สิ่งต่างเหล่านี้ทําให้เราแยกคณะนิกายแบ่งแยกความเชื่อจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะรวมกันได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันอาเมน